Book 2 7เจ็ดสิบเอ็ดต้องการอยากวิลน e ัวทูคุณอยากทำอะไรบาวิลดอร์คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม คุณอยากไปหาเพื่อน b พ l l อนไหมุตบอลวิรไปเลอลวิเดเ่อลวดไปเล่นฟุตบอลวิลเดเรส์จะนตอรไป่อิลเสไป่อสฟเดดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Jeg vil ฉันต้องการกลับบ้านฉันต้องการอยู่บ้านฉันต้องการอยู่คดิฉันต้องการอยู่คนเดียวคุณอยากอยู่ที่นี่ไหม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 คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะวิรเ่มคะคุณอยากไปดิสโก้ไหม Vi ลล์เดเร่คุณอยากไปดูหนังไหม Vi ลล์เดเไปดูนังมคุณอยากไปร้านกาแฟไหม Vil dere på kafe?